เทศอบรมพระวันที่สิบมิถุนายน2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ก็เด็ดเผ็ดร้อนในธรรมทุกขั้นจนสุดขีดเริ่มแต่ลมลุกคุคลานจนถึงขั้นสติปัญญาอันเกลียงไกลปลุกใจดีมากหน้าบีพูดเรื่องอาจารย์คำดีนิมนต์เราไปหาท่าน และพูดเรื่องสนทนาธรรมกับท่านที่ขอนแก่นปี95หน้าบีห้ามอัดไปที่อื่นกระชุมเมื่อวันที่หาา้าเพิ่งมาผิดคุณแม่คนนี่พอเวลาว่างเมื่อก่อไปรชุมเหนื่อยมากขานนองตัวนอกอากาศอุ้งอ้าแล้วก็เหนื่อย นีน่ต่อไปทิ้หายหมดคนมุดกับไปหนาในหัวใจมีแต่บับแตกันเตหัวใจหนาสาหันมืมนดนหนาเลยไม่ได้ยังสาหัวเองไทาร คนหนาดูแลดูอันนราไปดูแผลดที่ไหนดูทามืดหนาของคนดูปียามแสดงออกเท่นั้นคืมีปี่าของคนนี่แหนเป็นยักษ์เป็นผีเปหมดท่านมันนม้าอีฉานนมมุสาเป็นโตน่างเี้นเปรเป็นผงเยนักงคาเตียมีน้อยมาก พระกราวงไหนมาตัดสู้มาตัดู้ทำของจริงขึ่งเป็นของมี่ในโลกตร้งลูกทั้งเห็นแบบเดียวกันสัง่งสอนแบบเดียวกันไม่มีปรากดว่าองค์ไหนจะเป็นพระพุทธเจ้าแบบแนสอนธรรมะแบบแบบเนี่ยเหมือนอย่างกรมนักถึอเพื่อศาสนาราอยู่ทุกวันนี้พวกแบบแนวมีอยู่เยอะวัดก่วนของพระพุทธเจ้ามีเยอะ ทป็นทั้งที่มีแบบมีเบับรมันก็มาทำตามอยากดังคุณทําทำามหลักของศาสนาวามหาที่จะมีสีเทียนไม่ได้ไม่ว่าพระปันเลยราะว่าก็า ม, มีสีมีามต่างปฏิบัติตามหลักเพื่อศาสนาที่จนนับถือก็จะมีเรื่องอะไรกัน ที่มันแตกมันเข้ากันไม่ติดเป็นนิการนั้นมีการนี้ก็เพราะความประพฤติเรื่องร่ำพระธรรมวินัยอย่างนี้เหยียบย่ำทำลายทำวินัยที่เป็นของจริงเอาพิเล็ก็ไปเป็นาศาสนาแทนาศาสนาของพระเจ้าเท่านี้ทำอย่างนี้ถูกความชอบใจยอย่างนี้แล้วถูกหมกมันก็เป็นไปนเรื่อยๆมันเป็นเรื่องยากเนเรื่องละเอียด ที่อยู่ภายในใจของเราทั้งหลายแม้เป็นนักปฏิบัติซึ่งหลงกลให้มันอยู่ตลอดเวลามานี่คืออะไรมีความยอกความชังความขูดความเปรียนความเพิ่เพิ่มขึไปตามอารมณ์ที่คิดใจในจิตใจที่ออกมาจากเรื่องของกิเลตเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราเพิ่มไปตามมันตัวร้อยมันก็เบาไป เพิ่มไปตามมันหลับไปตามมันมันมี youtube น้อยใจอย่งเพระพุทธิเจ้าท่านสอนว่าสิ่งอย่านี้เป็นภัยสิ่งใดที่เป็นภัยย่อมนํามาพ้นโทษเสมอทำร้ายก็มีความชังก็มีความเกลียดก็มีความโขูดก็มีความพุ่งซ่าหุ่นปิดใจแต่ตามลูกเสียงปินลดปิติภพทำมารมมาอะไรซึ่งเป็นเรื่องของที่เหลือบ่งการออกมา รุ่มให้เหยืงให้เป็นสัญญาลบนไปตามมันร่วงแย่ตั้งแต่จิตเป็นไยมีธรรมะท่าน ส, สอนไม่แล้วแต่เราก็เคิร์ตามมันอยู่เรื่อยถ้าไม่เคิร์ตามมันอยู่เรื่อยทําไมจิตใจจะไม่สงบละหากเราพยายามละมัดระวงังรักษาความคิดความคุณความรุ่งเรยวุ่นวาของใจซึ่งเป็นเรื่องของเกลียดก่อขวนเอาสังขารเอาสัญญ า, ญญ า, ญญานี่มาเป็นเครื่องมือ กอบควรปิดใจให้เราให้เกิดความแดืร้อนนี่สมมุเราก็ยังไม่เห็นโทษทั้งหมดเพียงจิตไม่สงบก็ทราบแล้วว่ามีโทษแล้วโทษของความชุ่มชื่นไม่ได้ความทุกข์จิตชุ่มชื่นไม่ได้ก็เพิ่มมีสิ่งกอกควนมีสิ่งต้านทานนี่ ผู้ปฏิบัติทำให้คิดอย่างโทษในแง่เหล่ออานี้ครับหาคุณไม่ได้คุณสมัยของจิตคือความสงบจะเป็นขึ้นมาไม่ได้ต้องคิดเสมอเรื่องเหล่านี้ต้องถือเป็นภัยต้องระมัด ร, ระวังถ้าไม่ระมัด ร, ระวังนี่จะไปหวังกัมรรคนนผลมิพานก็สิ่เห น, น, นี้กีดกันอยู่ตลอดเวลาจะไปเห็นมรรคนนผลมิพานที่ไหนคิดออกมาแยกเลยก็มีแต่ เ, เตรื่อง่ิดปรุงมาเรื่องใดหมเรื่องใดก็มีแต่ ไม่ได้หมาย เ, เรื่องอเ่องทำไม่ได้หมายถึง เ, เรื่องที่เหล็กรอง้าเพราะว่าแล้วจะเห็นมกักรถผ่านที่ไกันต้องคิดิกที่แบบไมคิดไม่น่าโอ้โนพลนี่อไหนอจับช่ไหมไรกันฮะมักวนอะไ ร, ไา ม, าะไรมาเที่ยวี่ไหด เอเอมันจับมันจะหันนะมันยืดได้ไหมล่ะ <c oughs> มันจับเส้นรัศมดดีได้ไหมมันลืน่นนะมัน <c oughs> จะนอนได้หรือไนอนเด้อ่ามันจับได้มันยืดได้มั น, นะ ม, นมันลื่นนะั่นเส้นรัศเพิร์กเลยผู้ปรับ <c oughs> อดมันได้มันเห็นละสายรนะัศมะ ตามก็ดีนะทางเดินของกิเลสมเดินอยู่ตลอดเวลาเดินทางสังขามทางสัญญาทางสัญญานี่เดินได้ตลอดเวลาเดินทางรูปทางเสียงเดินบยนกางเป็นเวลาปุถุกระเทือนระหว่างยตนาภายนอกภายในก็สัมผัสกันเป็นการเป็นเวลาแต่ธรรมารมณ์ที่ ยึดเข้าจากสิ่งที่สัมผัสจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี้เข้ามาเป็น อ, น อ, อารมณ์ขอบวุณทีคิดแรกวคิดหลับปุ่งแงบปงเล่ลลออไม่อยู่ในถอยปุ่ะไรก็อีกเปนเรื่องของที่เหด็ดตุงไ ม, ม, รรมไม่ใช่เรื่องธรรมะไม่ใเรื่องสติปัญญาปุ่งขึ้นมาพอเป็นเรื่องของปัญญาปรุงคิดอ่านแต่ตรองขึ้นมาก็เป็นทางธรรม ต้องคถ้าคิดเรื่องอ่านเรื่องทำคิดเรื่องแยกต่างแยกขั น, นพิจิตรพิจารณเพื่อปัญญาแล้ก็เป็นธรรมรวมเรื่องขึ้นมาเพื่อเป็นธรรมก็เป็นธรรมสัญญาหมายไปตามการที่เจอมาเหมือนดีเส้นบันทัดไว้แล้วปัญญาเดินตามนั้นนี่ก็เป็นธรรมนี่เก้าสิบห้าปร์เซ็น มีแต่นนเรื่องของที่เด็ดถ้าเขาจะเขาอรรรยากท้าทายเขาจะเป็นนักเป็นิธรรมในระบทต่างๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะที่ไม่ปรากฏธรรมะภายในจิตใจได้ให้เห็นอย่างชัดเจนพาใจมีความสงมบเป็นต้นความสงมบนี้ไม่อยูไกลที่ไหนเพียงลัวเลอารมณ์แบบนี้ได้ด้วยสติเราก็เป็นควารสงบขึ้นเราก็ยังไม่สามารถที่จะทําใจให้สงบ จากทีมกอกควขุ่นที่ไหนได้ไหมใครจะเอานักทีนี้ไปที่ไหนหยนความเ่ขัดขาั้ทั้งแรผลยิ่งกอที่เล็กส้างหัวใจคนขณะนั่นกอดคนจะจดจําเาไปที่นี่่การแก้ที่เล็กต้องเป็นขวายากเพายงเราจะหนีงนนี้หรือไหนีเราเคยทํามาแล้วโอ้โหเอาเป็นรตายเข้าว่า มาคุดยอนหลังที่เงินจะติข้างหราที่คือดำเนินมาระยะจนจะของครบรัววิทนอย่า ง, จนจนจนงทัท่วนี้มันทำไม่ได้นขนาดนั้นว่าสภาพม่ว่าหน่วยความมุ่ง ม, มัน่นอนั้นมันจะไม่มีอยู่เฉยอยงั้นะทุกวอยู่จิตจืจางจางไปนั่นแหะมันไม่มีความมุ่งมัน่นหลนักพนีพการที่ไหนไม่ไม่ประมาท เราพูดตามความจริงของจิตในระยะนี้กับระยะก่อนมันผิดกันอยู่นากนันมีอะไรมีแตะความมึนทานในอัดในธรรมมุ่งมั่นต่อม่ถึลไม่ถึมมั่นจากความหลุดพ้นหมนความมุ่งมั่นมันีอยู่มากอะไรๆมันก็เหมือนก็บตอนนั้นทอดนั้นก็เหมือนแม่หลบเครื่องดึงความพาคเพียนความกดความทุกทุกแหน่ทุกเหนื่อย เรื่องความพักภูมิเป็นมาเองความอดทนเป็นเองนน ค, อความเหนื่อยหน่ายเป็นนักโรคมันก็เป็นมาเองเพราะความหมายมั่นตั้งอยู่ต่อมรุนนิการซึ่งเป็นความสำคัญมันเต็มัวใจอยู่เลยอะไรก็มาทําลายไม่ได้ไงมันสลัดพักพักพักพักมันค้างสิรติปัญญาคก็ไม่ยังไม่เทียงไกลอะไรนะักหนาแต่ความมุ่งมั่นนี่มันมีนมกําลังมาก ครับการประกอบความพากเพลยนทุกกลำบากทนตนต่อสู้กิเลสเพราะมันเหนียวหนักกิเลสจะทำํำมาอย่างหน้าหนอย่างสบายิดใจหลักๆลอยฟ้าอย่างนั้นไม่ได้นะต้องให้เป็นคนหนักแน่นในเหตุในผลเชื่อธรรมนั่นแหละเป็นหลักใจสำคัญเมื่อเชื่อธรรมทำทำ่านว่าอย่างไรทำท่านว่าให้ฝืนต้องฝืน S 1> <S 1> เป็นอยากดูนี่ฝืนไม่ดูนี่อยากฟังในสิ่งที่ผิดคือจะฝืนชื่อเป็นพิษเป็นภันยแก่ตัวเองไม่ฟังเนี่ยห็นอากอะไรฝืนความอยากหมายว่าจะอยากเห็นอยากได้ยินอยากอะไรก็ตามขึ้นงที่ว่าเป็นเรื่องของพิเรนก็ฝืนกันทั้งนั้นความฝืนกับพิเรนมันก็ต้องเป็นทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์กข็ ฝืนที่จะแก้จะถอนจะถอนสิ่งนี้เป็นสิ่ที่ฝังตมภาย ใ, ใจิตใจนะครับความเดือดร้อนมานานเราต้องผืนเราเป็นนักต่อสู้เราเผู้ที่จะต่อดถอนพิษภัยออกจากจิตใจต้องเป็นนักต่อสู้มีความเข้มแข็งอดทนอะไรก็ตามถ้าหลักใหญ่ล้มฝังใจอยูแล้วมันพอเป็นพอไปทั้งนั้นทำไมเดี๋ยสนใจก็แบบความาขาดคก็ แทนระบบข้องสังได้สันได้ในบรรดาปัจจัยทั้งจี่จีวันรมรรบเห็นนาสนะที่อยู่ที่อาศัยในท้างสันอยากแก้โรคเก้ไขไมไ่สนใจกหนดความสนใจมันทุ่มลงไปในอาจในธรรมโทั้งสิ้นแต่เพราะอย่างยิ่งกระทุ่มลงไปพืพพป่อมะขุม น, นิทานเพื่อความหลุดพ้นเดยแต่เนียวมีกำลังมากสิ่เหล่านั้นจริง ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องได้ไม่มาควรใจได้เลยอยู่ก็อยู่เพื่อจะบําเพ็ญให้พ้น่กินก็กินเพื่อจะบําพ็ญให้เบําเพ็ญให้พ้นนี่แต่เพื่อจะพ้นนอนก็พอแล้วนะทัขาทั้งกายที่มีกำลังเพื่อจะทํางานให้เกิดความบุพ้นขึ้นมาที่ใจอะไรก็เพื่อเพื่อแต่นั่นเท่านั้น ท, ทีนี้มันก็เข้มแข็งเองถ้าความมุ่งมั่นมันมาก พระขนินพานจีดจางไปที่ไหนเวลานี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจนั่นแหละถูกกิเลสปกคลุมหุ้มห่ออยู่ใจมีคุณของน้อยค่าไม่มีคุณค่าใัๆภายใน ใ, นนใจแต่พอกิเลสมันลบออกเสียหมดเรายังไม่เห็นโทษของมนันหรือมันลบของไม่ของดีของวิเศที่โสออกจากตัวของเรามีแต่เรื่องของมันออกมน้าออกตามข อ, อ, องสินค้าปลอมๆมาวางหน้าร้านของเราแทนสินค้าจริงเดียอย่าง น, น, นี้เราไม่สะดุดสองเวทบ้างหรือ ฟังี่เรื่องครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ท่านปรากฏชื่อลีอน่าเป็นรรที่เคารพกราบไหว้ของประชาชนท่านหนึ่งท่านทํายังไงอท้านจาันขาวนี่เคยได้พัฒ น, นากันแล้วหุยเด็ดมาก <c oughs> เด็ดเดี่ยวมากทีเดียวความภาคเพียงการพูดถึงเรื่องความเด็ดนั่นเมันจะเป็นยัไงจะเป็นในแง่เป็นแง่ไม่ดีไปโดยเจ้าของไม่รู้พอมี ธรมานจากของเล่จะกลายเป็นฆาสิรแต่จากของอืน่นไปก็เหมือนกันท่างท่านนี้คอเพราะความเด็กท่านเป็นท่านคิดมาหลายเล่หลายเหรียญหลายสันหลายคนมันเคยเล่าให้ฟังนั่นเพราะความเด็กเอากปนอนดังหลักแน่ไป อ, อยู่กับครูบาอาจารย์ที่จังหลักเชียงใหม่เอามาเลอาให้ฟังไปอยู่ที่ไ ห, น ก, หนก็เล่าให้ฟังออล้มลุกคุ่ครางไปนะัป่นอด่านี้บตอนนี้ มัต่อยในครอบครัวเรื่องนี้ประการท่านถลกลิดตวท่านอยู่เรืยมาทำให้เขาใครก็าไปใกล้ทีติดพันท่านมีท่านจันทร์นั่นเราก็ะเกียรตะกายตามท่านไปเชื่อหมายตามท่านไปจนท่านถึงุกองท่านยไม่หยมใส่ตท่านคเพื่ทำามกับท่านหรือว่ความภาคเกียงก็เอาเป็นเอาตาย้าว่า ท่านอาารย์ทรงก็เคยสทนาธรรมะกันถึงใจกันดีพูดถึงเรื่องความผ่านต้นกันไปมาจนใหม่ไมอผ่านไม่ต้อจนใหม่เลยนี่แต่ท่านผู้เด็กเดี่ยวเท่านั้นอยู่ธรรมดาธรรมดายัท่านอา่ารย์คำดีนี่คนเด็กเช่นกันเคยเล่างแล้วท่านเกี่ยมนี่สายหมดแต่ก่อนน่สายท่านโอ้ผมนถามน เพราะความเ่้นแขนงของจิตความเด็ดเดี่ยวของจิตนั่นเองที่ทำให้เป็นขึงขังเป็นตัง้งแร้ว เ, เปลี่ยนนิสัยมาเป็นนิสัยนี้เป็นหวนนัผู้ที่จะต่อสู้พิเดียร้ได้ใช้ต้องเป็นผู้เข้มแข็งต้องเป็นผู้อดหานต้องเป็นผู้ฝืนเสมอไม่เห็นอะไรยิ่งใหญ่กว่าธรรมซึ่งจะปรากฏพื้นที่จิตนี่ จิจตจะประเสริฐก็ประเสริฐขึ้นจากธรรมที่บังเพงจิตจะเ ล, เลวก็เลวเพราะเรื่องของกิเลสมันปกคุองมุ่มหอ่อไล่ค่าไปโดยสิ้นเชิงก็เพราะกิเลสมีมากปกคุองมุ่งหอ่อเหี้ยของจริงเนี่ยไม่เจอมองไม่เห็นมีเห็นตั้งแต่ปืนแต่ไฟไฟกิเลสทันหาราคาเผาโดนปิดใจอยู่ตลอดเวลายืนก็ร้อนนั่งก็ร้อนนอนก็ร้อน ย่าบดใดก็มีแต่ร้อนเป็นความลำคาญไปหมดมองดูใครก็เลยผิดไปหมดเพราะหัวใจมันผิดมันเป็นพิษแก่ตนเองมองดูเพื่อนฝูงก็แม้เย็นตาเย็นใจมุดมุดหงิดหงิดอยากยกโทษยกความนั้นนี้พอเป็นทางระบายของกิเลสที่มันเผาผานอยู่ภายในใจมันเป็นได้ดบบนี้ผู้ว่าอาจารย์จะวิเศษวิโสอย่างไรก่อมันก็ไม่เห็นวิเศษวิโสด้วยเพราะกิเลสมันไม่ใช่ตัววิเศษเมื่อมันครอบจิต นำจิดเดินไปแล้วมันจะให้จิตคิ ด, คดอะไรเป็นเรื่องวิเศษวิสุทธิได้อย่างนั่นก็ต้องเป็นไปตามแถวของชีวิตเท้าไหร่ท่านจึงต้องฝึกต้องทรมานเอาให้ได้อย่างน้อยให้สงบที่เห็นกระจัดกระจิบผลจากการปฏิบัติคือนั่งสมาธิภาวนา น, นี้แหละที่จะยังยังต่งออกํกว่าสมาธิคือความสงบใจให้เกิดขึ้นไม่พ้นจากการฝึออกฝนอบรม และธรมานจิตใจของตนนี้เลยจิตเราเคยปล่อยมันแล้วเราต้องคํานวณเราต้องบวกต้องลบคูณฐานกันสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อหากําไรแา่ตนเองเราต้องบวกลบคูณฐานกระแสของจิตที่มันเคยคิดมากี่มือกี่วันกี่ปีกี่เดือนมันได้อะไรบ้างทั้งๆที่เราก็คล้อยตามมันคล้อยตามมันคล้อยประทายก็มีจะ่ืนแต่ไฟเป็นผลตอบแทนที่หนาให้โดยนึกเกิดความเดือด้อนเราวยังจะถึงคล้อยตามมันเพิ่มตามมันหลัก ไปตามมันอยู่หรือว ท, ทั้งๆที่เรากระตุ้นอยู่นี่เราต้องคิดต้องคิดหา ง, ง่ายมันเรียกว่าทำเป็นเครื่องต่อสู้กิเลสให้จิตสติไม่ติดสติปัญญาขึ้นมาไม่มีทางแก้กิเลสมันจะงมไปเดอไปนั่ะ น, นั่งก่อนั่งพอเป็นพิธีพ่เกิดความทุกข์ความลำบากขึ้นมาบ้างเลือดหน้าทั้งๆที่จิตหาความสงบยังไม่ได้เลยนอนเสียร่บนอน ไ, ไปเพื่อระงับ ดับทุกทั้งหลายนี้มันก็เป็นการเสริมพิเลรนนอนมีกําลังมากเลราะเราพิเรนมากธาตุฐานยิ่งพอกปูนขึ้นมาแล้วก็ต้องเทียเ่ยวต้องบวกลรคูณหารกันให้เห็นชัดเจนแล้วยังไงมันก็ต้องมีทางต่อสู้กันจนได้ละทีเมื่อเราก็เป็นนักเหตุผลอยู่แล้วเป็นนักธรรมะอยู่แล้วเพื่อความพ้นทุกข์ทำไมจะพ้นขุ้เขียหาอาหาัตถะธรรมเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องแข่งทัน ต่อสู้กันกับกิเลสนี่ไม่ได้มันต้องได้ในขณนะได้ขนาดสําหรับผู้ที่ชอบไข่ควรท้าเหยครับผลเพื่อสุขถอนตนเองด้วยเหตุผลอันนั้นนั้นมันต้องเด็ปรากฏตนได้คนเราไม่ได้ฉลาดมาตั้งแต่วันเกิดใครก็ยีมันแบกความโม่มาด้วยกันเพราะเกิดมาทำการาดกับกิเลสขึ้นตัวพาให้จัดทั้งหลายโง่เวลาจะฉลาดก็ต้องอาศัย อาศัยธํามอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยการฝึกฝนอบรมปียาท่าทางก็ค่อยแสดงผิดแปลจากปกติขึ้นเรื่อยเพราะจิตใจค่อยเปลี่ยนสภาพอาการทั้งหลายภายในตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากการอบรมเพราะฉะนั้นการอบรมการได้ยินได้ฟังจริงจริสำคัญามากยิ่งครูวาอาจารย์ผู้ที่มีความแน่นอนในการต่อพื่อปฏิบัติและเป็นความแน่นอน ทั้งผลที่รักจากการปฏิบัติด้วยแล้วฟังก็ยิ่งเพลินในจิตในใจเพราะท่านพูด ร, รูจริงให้จริงท่านไม่มีอะไรเรื่องจะพูดรูปคำคล้ำเพื่อให้เราสงสัยไีไ่จะพูดตรงไหนจริงตรงนั้นเพราะท่านเคยปฏิบัติมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลผ่านมาแล้วรังโชคโทนผลก็เห็นประจักษ์กับใจแล้วพูดจะผิดที่ตรงไหนดังพระโพ ธ, ธิัารย์ลงประกาศความสารโลกสีมรภพรประมาณเพียงแปดหมื่นหรือธรรมธรรมธรรมนั้นเพียงนิดเดียวไม่ได้มากตามความรู้สึกของลัก อันนี้เรายอมรับท่านอาจารย์ม่นที่ที่านพูดไว้ดังที่เรานํามาเขียนนะตอบปัญหาท่านผู้ถามเกี่ยวกับโลกพึงดิษณ์ทำที่มาในกำภีรนั้นเท่ากับน้าในตุ่มในหายเท่านั้นแต่แปดหมื่นหรือป่ะมาณธรรมฐานเท่ากับน้าในตุ่มในหายเท่านั้นไม่ได้มากมายเลยแต่ธรรมที่ไม่ได้มาในกำพี์นี้เหมือนน้ำมหาสมุทรใหญว่างหลึกขนาดไหนนั่นแหละผิดกลางขนาดนั้น เพาท่านปฏิบัติทุกวันท่านบอกรู้ทุกวันเห็นทุกวันจิตมันซึ้งมันเข้าใจเรื่องนั้นเข้าใจเรื่องนี้เข้าไปทุกแง่ทุกเข้าใจไปทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าก ว, ว้างแบบนี้ลึกตึ้นอย่างเอี่ยดท้าประมาณไม่ได้ในความเข้าใจานี้ของจิตเพราะจิตนี้มันไม่ไติดข้องอะไรแล้วจิตของท่านผูุกพ้นแล้วสนุกทนิดๆพิจารณาแบบว่าหัวหายกลางตัวได้ยงสะดวกสบายถ้าเป็นปลาใหญ่ในะทะเลก็ดีเพราะทะเลก็กว้างปลาปลาก็ตัวใหญ่อันนี้จิตใจก็ ยิงมีความบริสุทธิ์เต็มที่ด้วยแล้วจะพิจารณาเรื่องอัดเรื่องทำยึดตื้นอยาละเอียดแค่ไหนมีประมาณได้หรือไไม่มีประมาณไปได้อย่างสะดวกสบายเพราะมีเรื่องผูกพันกิตใจคือกิเลสตอนที่กิเลสผูกมากอยู่กระดิกไปไหนก็ไม่ได้มีแต่เรื่องกิเลสพ่อหม่อมล้อมสกัดลัดกั้นให้หมดสาทางเดินไม่ได้ก็มีแต่เรื่องของกิเลสดูกับกิเลสนั่งกับกิเลสคิดก็คิดเรื่องของกิเลสมันคิดไปด้วยกับกิเลสทั้งนั้นตรงไปด้วยกิเลสอะไรอะไรเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวล มันก็ไม่มีธรรมที่จะปรากฏขึ้นมาได้แต่เมือ่อพิเดศมันสิ้นสุดกายเป็นยมุตขึ้นมาแล้วพย า, ายามทำว่านั่งอยู่ที่ไหนทาลุกในธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะนั้นจริงได้เกิดความเชื่อพระพุทธเจ้าว่าเด็กสาวพวกทั้งหลายที่ท่านชมนิมรงเห็นแล้วจะต้องกว้างขวางมากมายธรรมนี่เหมือนกับท้องฟ้าหมหาสม ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเพราะความรู้ท่านกว้างขวาง ม, มากลึกซึ้งเราเพียงแค่นี้เรายังสามารถพิจารณาได้ตามกําลังของเราที่ทําให้เกิดเป็นเชื่ออันหนึ่งที่เป็นหลักฐานพยานอันหนึ่งขึ้นมาที่จะเชื่อความรู้ความสามารถฉลาดแหลมคมคำวิจารณ์และสาวุทังหลายได้อย่างประจกักษ์ใจไม่สงสัยทันวันเรานํามาเขียนนั่นถึงยอ่ยอๆเพราะด้วยความท่า น, น, นเองตอ น, นที่ท่านพูดดูโอ้ยฟัง แหมมันเคเลื่อนไปเยนจิตใจมันเพราะมันพิงมันซึ้งเพราะท่านผู้รู้ผูนั่นทําเป็นอย่างนั้นจิตเวลาหมอะก็หมอบเวลาอับเขาก็อับเขาแต่กิเลสมันครอบงามากมันก็อับเขาเวลาฝึออกหัดอบรมหรือดัดแปลงแก้ไขฝุกิรมาณ กิเลสจะออกจากจิตใจได้มากน้อยจิตก็แสดงความสน่าผ่าเผยขึ้นมาคุณค่าของรู้กับจิตอย่างนั้นแหละเมือ่อกิเลสหลุดลอยออกไปมากน้อยเท่าไรคุณค่าของจิต จ, จะแสดงขึ้นมาให้เห็นเพราะธรรมชาติของจิตมีคุณค่าอยู่แล้วเป็นเพียงว่าสินหาคุณค่าไม่ได้เพเป็นครอบงำเป็นกายแท็นของเละงอะเทอะเปลือกเปลื่นหาคุณค่าไม่ได้ไม่เป็นที่ปรารถนาไปเสียทุกข์ให้ปรารถนามันเมื่อไหร่ แต่ทําไมมันถึงได้ครอบหัวใจของโลกอยู่ล่ะนั่นนั่นหลับทุกข์มันเกิดขึ้นมาก่เลสกิเลสกิเลสกิเลสเขาจะปรารถนามันเพราะมันสร้างแต่ความทุกข์ขึ้นมาแต่มันจําต้องได้แบกบได้ถามได้รับเสวอยู่นั่นแหละเพราะมันเกิด อ, อยู่กับเราเราไม่สามารถด้วยบาย ส, รรยาสติปัญญาศรัทธาความเปียนทุกด้านพอที่จะ ต, ต่อสู้มันได้ก็ต้องยอมรับกันไปแต่ยังไงก็ตามเราคุ้นชื่อว่าเป็นนักต่อสู้แล้ว ไม่ควรจะถอยอนี้ความเข้มแข็งน่ะสําคัญ ห, ดหัดพึกนฐนนิสยัยจนให้เป็นคนจริงจังอย่าเป็นคนอยแหลัวอกแวกคอนแกงเหมือนหลักปักขี้ไฟคอยแต่จะล้มทําอะไรจับจุดๆหาความจริงจังไม่ได้ทําอะไรให้ทําจริงนักปฏิบัติสิ่งที่จริงอะไรก็จริงอะไรก็ถึงนี่รวมตัวเป็นกําลังเข้าไปถึงการจริงจังต่อความเพียร ถึงการจริงจังต่อการแก้ที่เดทุกประเภทเป็นความจริงจังไปตามๆกันหมดไม่ใช่ว่าจินจังภายนอกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ยากจะเป็นประโยชน์จากความนั้นเท่า น, นั้นยังมาเป็นนิสัยของจิตให้มีความจริงจังต่อภายในในการแก้ที่เด็ได้อีก mm. นี่หลักสำคัญในตัวนี้เ mm. นี่ยพูดเพราะความเป็นวหวงเพื่อนลำบากลำบากก็ต้องมา เเคยเห็นโทษของมันมันเหยียบย่ําทำลายเอาเรื้อประมาณจิตใจบางทีก็มันเหยียบเราต่อหน้าต่อตาแล้วนี่เราไม่มีกำลังสู้มันเหมือเวลามีกําลังมันมันเนขนาดเป็นลมอย่างเป็นที่นเอาที่มาจังอ๋อข น, นาเนเป็นที่เลยปวดแผลจิตใจเจะขอให้ตัวเองนี่กบบปวดแผลแต่มันหาวิธีที่จะ โต้อตอบกันด้วยความขนาดสามารถนั่นเองมไม่พอก็จำต้องยอมรับนิววะแค้นอยู่ภายในใจพอมันมีสติกําลังขึ้นมาอันี้เอาใหญ่แหลอมีสติมีมีกําลังวังชาขึ้นมาทางด้านจิตใจเึ้นมีความสงบนั่นแหละตึ็นเป็นต้นทุนแล้วตรงนี้มีกำลังขึ้นมาพอเริ่มจยุดได้รับความสงบมันก็ปราศจากความวุ่นวายทั้งหลายที่มันคิดแายคิดแสยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนบ้า อยู่านจิตใจเรานั้นสงบตรงไปหมดซึ่งไปแล้วก็สบาย น, น, นั่นแหะสมาธิด้วยความสงบเมื่อจิตสงบแล้วจิตย่อมสบายนี่เราจะพาพิจารณาทางด้านปัญญาจิตมันอิ่มตัวอิ่มอารมณ์เพราะความอิ่มทำคือความสงบนั้นเราจะพาทําหน้าที่การ ง, งานคิดอ่านใจกรองอะไรด้วยปัญญามันก็เป็น ที่เป็นปัญญาไปได้โดยลําดับลําดับไม่เหมือนขณะที่จิตกำลังผิวโหยวุ่นวายอยู่นั้นเราพิจนารนณี้มันไม่ใช่เรื่องนะมันถลเละถลายไปเป็นสัญญาลงไปเสียพิจารณ์เป็นสัญญาลงไปเสีญญยเพราะฉะนั้นจังหวัดสมาธิปฏิภาณปัญญามหาปราโ h o s ที่มหาห้ามขั้งข้างปัญญาสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากนะคือสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญา มีความสงบแล้วพิจารณาทางน้าปัญญาก็เป็นปัญญาไปได้ด้วยเลตามขั้นของสมาธิปัญญาก็เป็นไปตามขั้นของสมาธิต่อไปกลายเป็นตำดาที่ละเอียดแหลมคมเข้าไปเรื่อยๆเลยเห็นผลมากเพียงไรเขายิ่งเกิดความมีแกีใจขึ้นมากขนาดแบบคนเราเวลามันมีความสนอาดมีความสะอาดหันเอาที่อะไรจะมาผ่านไม่ได้อืนั่นที่นี้กําลังเป็มที่แล้ว ไม่มีคําว่าถอยนทีแรกก็มอให้มันเหยียบไปซะก่อนเหยียบหวัวเหยียบอะไรก็เหยียบไปอืแค้นขนาดไหนโกรธขนาดไหนเราก็ต้องทนเอาเพราะเรา ม, มีกําลังวังชาทัตปปัญญาสามารถที่จะตอบโต้มันได้ก็ต้องยอมในระยะนั้นคือจิตของเราเยังหาตั้งหาหลักฐานไม่ได้ตั้งหลักตั้งฐานก็ยังไม่ได้วิเรศ ก, ก็ยิ่เหยียบย่าทําลายเดินเดินนั่งนอนอาตามถูกความสบายไม่ได้เลย เป็นมาพอแล้วผมนี่ผมพูดตรงกองผมเป็นดูเฉยเฉยก็แน่นอยู่ในหัวอกเอ๊ะมันอะไรกันนี่มันไปคิดเรื่องอะไรมาเมื่อไหร่จิตมันถึงร้อนเหมือนฝืนเหมือนไฟเหมือนไฟไม้แผลนั่นแหละมันสูงอยู่ลึกๆเอ๊ะทำไมมันยึงเป็นหนังดูแล้วมันก็ปลากร่อยไม่ได้เรื่องไม่มีสติปัญญาที่จะคลี่คายมันออกนั่งเวลามันไม่มีปัญญาก็ต้องยอมทนออกเอ่ ไม่ขนาดไหนทุกขนาดไหนยอมทนเอาเครียดแช่ขนาดไหนก็ต้องเครียดแช่อยู่นั่น่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนันแต่ความพยายามไม่ถอยจนกระทั่งมันได้รับความสงบขึ้นมาแล้วเอาละพอได้ที่แล้วมีหมุนติวทางสมาธิเอาให้หนักลงไปโดยลาดับลเดับจนกระทั่งว่งา น, นั่งอยู่เฉยๆนี่แหละไม่ต้องทำพิธีเข้าที่เขา้เขาทางภาวนาอะไรเลยนะไม่ใช่คูยนะถึงขั้นมันมันชานาญแล้ว มันคล่องตัวก็มันเป็นสมาธิตลอดเวลาอืมสมาธิความสงบลงไปจนตัดาจาัจความคิดตุงมุงจะของจริงๆมันก็เป็นสมาธิประเภทหนึ่งที่เรานั่งสมาสมาธิหรืภาวนาจิตก็สงบอยู่คิดอ่านแต่แต่ลองอะไรก็ได้แต่ฐานของจิตมันแน่นเหมือนหินอย่างแข็งตึงเหมือนหินห น, นั่นนั่นหรอกมันช้างฐานั้นมันจนกระทงงั่งแน่นตึงอะยรอยอ่ะงเงี สงบแล้วสงบเราสงบลงลหลายครั้งหลายผลเราก็บำรุงขึ้นเรื่อยๆบำรุงอยู่ไม่จินไม่ถอยนอกจากทสงบเข้าไประงับขันเพื่อการชพ่อเวลาแล้วถอนออกมาแล้วมั น, ม น, นยังฐานใงความมั่นคงแน่นเป็นเห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจนั่นมาที่นี่อา้าวนึ่เรากรอย่างว่ามันน ะ, ะว่าเราได้เล่นพิจารณาปัญญามาตั้งแต่ครั้งโน้นมันก็ไม่นานนึ่ก็ติดสมาธิ เอาลงเมื่อไหร่ก็ได้นั่งมือเฉยนี่กําหนดนี่มันจะพอนาทีนาเธออะไรพอกาหนดนี้มันแน่วอะไรก็เพราะฐานมันเป็นอยู่แล้วจะเียนว่าระงับก็ไปถึงฐานทันเท่านั้นมันก็มันก็ได้อย่างรวดเร็วเลยนี่หมายถึงความชําญเพราะฉะนั้นเวลาออกทางด้านปัญญามันถึงรวดเร็วมันติดแต่ติดอยู่นั่นแะถือเอาความรู้ที่อยู่อันเดียวอันเดียั่นจะเป็นยิพปานมันเลยไปงั่นนะนี่คําม่าติด มันก็ไม่สนใจต่อการพิจารณาทางด้านปัญญามันเข้าแม่ออมครูประจานขนาดอะไนี้มันถึงได้ออกอเวลาออกมันก็ออกใหญ่โตดีด้วยเพราะมันพร้อมอยู่แล้วนี่สมาธิขนาดนั้นแล้วไม่พร้อ ม, ลมเลยเลยเหยียดพอแล้วสมาธิพอทางด้านปัญญาว่าหมุนติวต้วติวต้วติ้วติ้วเลยฮรูงี้นัน่นรูงี้รูงี้มี่ตัดที่เอียเนี่ย ตัวนั่งขาดไปตัวนี้ขาดไปตนั่งขาดไปเอ๊ชอบคนชอบคนยิ่งนั่นเราถึนี่มันเริ่มเป็นปัญหานะมันก็ยิ่งเสริมความหมุนเตี้ยความขี้เกียจหาหมดในขั้นสมาธิมันขี้เกียจนะหรือจะว่าไม่ขี้เกียจเนาะสมาธิขี้เกียจคิดหน่งขี้เกียจพิจารณาใจตองอะไรไม่เอามีแต่ให้อยู่สงบสบายอยู่นั่นี่มันเป็นสมาธิขี้เกียจ พอถูกท่านไล่ออกล้อออกพิจารณาเพราะได้ความในการพิจารณาแล้วทีนี้มันไม่ต้องหมอแล้วความเปลี่ยนสมมต่มันไม่พอดีสําหรับผมเองเวลาออกนั่ปัญญ า, าออกให้จนเข้าไม่ได้ไม่สนใจจะเข้าระหว่างเด๋ยมัตตนติ ว, วติวสู้นมันดังคำคืนมืดคืนมดคืนตลอดลูกไม่หลับกลางวันยังไม่หลับอยู่เออเดินตัวปิวแบบพอจะไปหกจะลม มันไม่หลับไปนอนเพราะมันคิดมันค้นมันต่อสู้กับยี่ยนปัญหาเอาซะว่าคำว่าแพ้นี่ไม่ให้มีอืมเอาตายเท่านั้นแพ้ก็ต้องตายถึงถึงจะเรียกว่าแพ้ที่จะแพ้ถอยหลังนี่เคยนี่เป็นไปไม่ได้บอก น, นั่นเลยไม่มีทางมีแตนจะหมุนให้คอขาดหมว่าขาดไปพร้อมๆกันเลยคำว่าแพ้ก็คือว่าตายแล้วถึงจะเรียกว่าแพ้แต่ตายด้วยความถอยหลังนี่เป็นไปไม่ได้นั่นเมื่อถึงขั้นแล้วเป็นได้นะ นี่พูดความจริงให้ท่านทั้งหลายฟังไม่ได้นํามาโอ้อวดพูดตามหลักความจริงทั้งฝ่ายเหตุที่ดําเนินยังไงมันหมุนไปยังไงไงตั้งต่กรมันเป็นยังไ ง, ง, ไ ง, ง, ง, ไงริมร่มลุกคุกรานขี้เกียจขี้คลานแบกตั้งแต่ขี้เลตนาอาสวะแบกตั้งแต่ปืนแต่ไฟเต็มหัวใจทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไฟไม่ได้ภาดจากใจเลยมันก็เคยแบกมาแล้วเหมือเวลาฝูกผลทรมานปิดใจ จนกระทั่งได้รับความสงบก็ข้อความทาาเพียรความอดความทนต่อทู้ไปมันก็พากดขึ้นมาความสงบเมื่อสงบขึ้นมาแล้วก็ได้กำลังแล้วก็หมุนตัวเข้าไปเรื่อยพอนานเล่นเขาเรื่อยจิตสงบเขาเื่อยสงบเขาเรื่อ ย, อยจนกระทั่งเป็นความรู้สึกว่ามีและนิพพานอยู่ตรงไหนนั่นมันลืมตัวลแล้วความรู้พสมแนวเข้าไปจนนั้นแล้วมันไมไ่คิดได้ปรุงเรื่องอะไรเลยโลกเหมือนไม่มีเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดแนว่วอนั้นเอาละเนี่ย หมอสุดท้ายมันก็ว่านี่แหละตัวนี้จะเป็นนิพพานยังดีแต่ว่าไม่ว่าเป็นนิพพานจะก่อนนี่ไหมนั่นหมายว่ายังตัวนี้แหละจับเป็นมันยังว่าจะเป็นยนังดีอยู่แล้วมนมีจับเวลาเราพิจารณาทางปัญญาเราถึงรู้ว่ามันเคยมันเกี่ยวโยงอยู่กับเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วมันจะเป็นนิพพานได้อย่างไรที่นี่เพราะปัญญาที่ผ่านมามันมีตั้งแต่กิเลสกิเลสมันหมอบเฉยกิเลสสงบตัวเฉยเพราะอำนาจสมาธ ผมหัวมันไว้กดหัวมันไว้นี่นึทั้งหมดตัวบาวนาปัญญาคลี่คายมานะก็ะปรากฏออกมาแสดงมาแสดงมาทั้งไหนก็เป็นเรื่องของปัญญาแล้วนั่นก็ฆ่าปัญญาอื่มันไม่มันไม่ได้เสริมมีปัญญามีแต่เรื่องฆ่าท่านนั้นแต่โดยลำหนักลำดาขั้นัญญนนองปิดมันเป็นไปอย่างนั้นนะเวลาแย่กาแย่จริงๆริง อยู่ก็หมู่กับเพื่อนค่ะตั้งตัวเองหมู่เพื่อนผู้ใดใดก็มองเหมือนกับว่าสันสินวิเด็ดเต็มหมดเงาหมดเนื้อจะ๊ยบเล่าคนเดียวเป็นเพืนเป็นไฟเวลาก็อยู่กับข้าอาจารย์มั่นดีดแหลกในระยะแหลกแหลกมันเป็นอย่างนั้นในความรู้มองดูองค์ไหนแต่ท่านเหมือนความเป็นความลมเย็นการประกอบความเปี่ยนของท่านเหอนั้นเขาเหมืนเท่าไหร่เนาะไอเราตั้งแต่สฉันหันแล้วเข้าไปอยู่ในป่าจนกระทั่งเวลาปัดกวาดถึงดำดําออกมามันยังไม่เห็นเรื่องเวลาอะไร เพราะว่าตอนนั้นจิดมันเสื่อมเล่งเอาจิตนี่คืนมันเองอมันไม่ได้เพราะงั้าความเตรียมนถึงเล่งเวลาคุยธรรมะกันนานขนานเข้ากับใครรู้เรื่องของหมูเพื่อนเราไปยิ่งเราได้หลักได้เกณฑ์เขาไปคอยิ่งรู้เรื่องของเราเข้าชัดเจนเพื่อนผูกก็รู้เรื่องของเรามไม่รู้ได้ไงเราพูดกับครูอาจารย์ก็ต้องพูดความจริงทาง่านฟังเมื่อทอ่านจะได้แกขายกดเครื่องในจิ่ตที่ไม่ถูกต้องเพราะทางไม่เคยเดิน พอได้กําลังทางสมาธิแล้วปัญญาก็ถูกขันขนาบแล้วมันก็ออกนะเอาละที่นี้พิเรศนอนหมอบอยู่ไม่ได้ทีนี่ลากคอมาฟันหวัวหมอนเนื้อพอคว้าได้แขนก็ลากแขนมัออกมาคว้าได้ขาก็้ลากขามาฟันด้วยคว้าได้คอก็ลากคอมาฟันด้วยนีออ่ถึถงขั้นปัญญาแล้ว หนก็หมุนที่วเดี๋ยวนั่หมุนตั้งแต่ขั้นปัญญาพิจารณาร่างกายเป็นอธิภะอสุพังมันหมุนไปแล้วหละมันหมุนไปตั้งแต่นี้แล้วแต่นเระมันแรงปัญญาขั้นกะยและพิจารณาร่างกายนี่มันดุ้งแรงโรดโถนผ่าโถนมากพอหมดปัญหาเรื่องร่างกายนี้มันเข้าใจรู้เท่าทันการตุกตินทุอย่างแล้วมันก็อิ่มตัวเนี่ยมันอิ่มตัวแล้วมันก็ไม่ยอมพิจารณาร่างกาย เขา อ, อิ่ตัวแล้วเหมือ น, นักาทานอิ่แล้วรับอะไรอันนาสินนั่นอีกมแล้วนี่นั่นดูดดื่มกับอะไรส่วนหน้ากับพวกเวทนาสัญญาทั้งคันนี่ไงสาคัญจริตัวสัญญาสัญญานี่ละเอียดมากที่ดียวทังขานยังมีแยกมีเยอะสัญญานี่ไม่แยกมันค่อยเยอะออกมาเป็นาพาคออกมาเลยหมายใ น, นอย่างละเอียดเราวอกโอโ้โหมันขนาดนี้เทนะ่าน่าตา ม, ตามากันไปต่างกันมาแต่มันไม่พ้นปัญญาล่ะนะืม คงลงได้วิมาสามติปัญญาตปนอมติหรือพูดให้มันเต็มปากแล้วมหาสติปัญญาแล้วอะไรจะผ่านมนจะได้หรอมื่อถึงขั้นมันหมุนรอบตัวรอบโดยตลอดเวลาโดยไม่ต้องไดบง้ บ, บังคับมัญชานอกจากเราล้างเอาไว้เท่านั้นถึงเรียกว่าสาติปัญญาตปนอมติมันหมุนตัวรับฐานอาหารหนูมันก็ไม่ได้จฐานอาหารด้วยนะมันทํางานัองมันอยู่อย่างนั้นนะเนี่ยคือว่ามันเป็นเองเมื่อถึงขั้นนี้แล้วความขี้เกียจไม่มีละหายหมด นอกจะได้ล้างเอาไว้ความเพียนไม่อย่างนั้นจะตายจริงนีเนะี่ยต้องได้ล้างเอาไว้บางทีมันจะตายจริงนีนะโอ้มันเพียมัดร่างกายเนี่ยเดินยังจะไม่ออกกลางคืนไม่ได้ น, นอนกวันมันก็ไม่ยอมหลับมันหมุนมันตื้ออยู่ยนั้นตลอดเวลานี่ต้องนำมายับยั้งกับพุโทโธแล้วไม่มีนั่นเอาพุโทโธเข้ามาไว้รังทียิบไม่ยอมให้มันออกไปทํางานนั่นเลย ปอยจากงานนั้นฉุดลากเข้ามางานคือโลกระหว่างปัญญากับพิเดียกำลังฟาดฟันกันแต่มันไม่สราบมันเทางสันคมหรือเอาทางเอาสันลงหรือทางคมลงอย่างที่นี่เวลามันเข้าขึ้นบูมวุ่นวายไปแล้วคิดว่ามันเอาสันลงนลยเพราะมันเมื่อไหรมันเพียพอแล้วครับไม่ถอยใจมันสู้นี่เวลาเรามาพักนี่เราถึงจะรู้เรื่องพอมาพักจิตรังคับด้วย คำบริกรรมพุทโธพุทโธอะไรแล้วเราเอาให้ถีบยิบมายอมให้ปุงเลยแน่วอย่นั้นบังคับเอาจริงจรินอะไรอย่างเงี้จะให้เข้าสมาธิมันจะไม่ยอมเข้าน่ะดูสิบังคับาบังับแต่พราะมันเคยอยู่แล้วบังคับไม่นานมันก็ค่อยสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาแล้นแนวลงไปพอแน่วลงไปโอ้ยเหมือนกับว่าถอดเทียนถอดน้ํากําลังบังชาความปลุกความสบายไม่สราบมาจากไหนชาทั้งหมดทั่วร่าง เาะหางร่างกายไม่ว่าแต่ส่วนจิตใจนะเนี่ยลงไปอยู่ขนาดนั้นนี่ยังต้องได้บังคับอยู่นะไม่ใช่ว่าจะปล่อยได้อยู่งเฉยนะพ อ, อพอเราถอยล ะ, ล, ะละมือสักหน่อยอพูดอย่างยๆนะมันจะถอยออกมาไปฏิกำลังอยู่ต้องบังคับไปจนกระทั่งมันมีกําลังรู้สึกว่ามีกําลังเออเหมาะแล้วทีนี้พอปล่อยให้มันดิดถึงเลยนะถึงีแต่งานนึงนะไม่ใช่ถึงแต่ไหนเพอเดิดถึงนี่กับพันกันเลยกํางานเอาที่นี้สําคัญนะทีนี้นะ มันเหมือนกับเอาความเอาเอาคมลงอะไรอย่างี้มันพี่นานไม่นานนะขาดสะ บ, บั้นสะ บ, บั้นสะ บ, บั้นไปเลยนัยน่นนะสมาธิจึงเป็นของสําคัญมากต้องพักไม่พมักไม่ได้ถึงเวลาที่ควรพักคิดมิ้มเมื่อยล้าลาจะต้องจะตายแล้วเราจะเห็ น, ตนแต่แต่ว่าผลของงานเกิดขึ้นจากการทํา ง, งานอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงเรื่องการพักผ่อนเพื่อเอากําลังร่างกายที่จะต้องมาประกอบงานต่อไปอีกมันไม่ได้อืพักพอนอนหลับรับปรทานอาหาร มันจะหมดไปเพราะการรับรับทานเสียปเท่าไหรหมดไปเท่าไรก็ให้มหมดไปเวลาเวลาหมดไปเท่าไรก็ให้มหมดไปในเวลานั้น<อ>เพื่อกําลังของร่างกายที่จะควรเกิดการงานต่อไปนี่ก็เหมือนกันเพื่อกําลังของจิตกาลังของท่ากานที่จะต่อบรู้ถูกว่ธีอาชวะต่อไปอีกต้องได้พักให้มีกําลังเมื่อจิตมีกําลังเวทสมาธิพักสบายแล้วออกมาพิจารณานี่เหมือนกับว่าปัญญานั้นมันเหมือนกับมีดที่ได้นับหินอย่างไร้แล้ว เจ้าของก็มีกําลังบางอามีดก็มีดเล่มนั้นแหละไม้ท่อนนั้นแหละอืมคนคนนั้นแหละแต่ว่าได้มีดก็ได้รับแล้วรับหินเรียบร้อยแล้วะคนก็มีกําลังแล้วฟันลงไปไม่กี่โป๊กหรืขาดกระบ้านอะไรนี่สติปัญญานี่ก็เหมือนกันพอได้กําลังแล้วออกที่จำลัไม่นานนะ ถาบจะบัน้นจะบัน้นทะันไปเลยนั่งเห็นคุณค่าของสมาธิมหมุนเกี่ยวมพูดถึงขั้นของใจก็ละเอียดเป็นลําดับลําดับวิเลดก็ละเอียดตา ม, ตามกันไปสติปัญญาก็ละเอียดตามกันไปมันพอๆกันนั่นแหละถึงจะเป็นสติปัญญาเหมือนน้าไหลลื่นก็ตามแต่ไหลลินแบบไม่ผาดโผน พิจารณานามมาทำภพเวทนาสัญญาทั้งสามมีอย่างพิจารณาเร่รองของวิชายมีถึงเกิดความละเอียดของปัญญาทั้งนั้นจะพิจารณาแบบปุบเป่าปรับเหมือนอย่างพิจารณาร่างกายนี่มันไม่ได้มันก็บอกในตัวของมันเองรู้เอ ง, เ, าาา เ, องเหมือนเขาถามมาเนี่ยเวลาปัญญาทุกครั้งวานฟาดลงไปเหมือนกับจะฟันทิ้งพอถึงขั้นละเอียดแล้วก็กบสายแค่ๆๆๆเอาขวานไปเอามีดแตฟันไม่ได้เสียหมดเหมือนกันอันของจิตที่ควรแก่ มัตติมาปฏิบัติธรรคือสติปัญญาขั้นใดมันก็บอกกันีเองรู้เองในตัวเองเอาจะมันขาดทะลุไปหมดอะไรก็ตามถ้ามันพอแล้วมันปล่อยทั้งนั้น่ะถ้ายังไม่ปล่อยไม่พอถ้ามันอิ่มตัวแล้วปล่อยการพิจารณาร่างกายมันก็เหมือนกันอาุผ้าอาตุพังกับฟาดมันลงไปมันแหลกเมื่อมันพอแล้วมันก็ปล่อยของมันอนี้การทุกขังตามันอยู่ด้วยกันนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนอิจณาที่เรื่อง สัญญาความหมายนี่ก็เมันมันออกมาจากไหนออกมาจากจิดมันก็ไปหลอกคิดนั่นแหละทั้งขานปุ่มขึ้นมาจากจิตมันก็หลอกจิดนั่นแหละเพราะเป็นทั้งขานเครื่องมือของวิชาเป็นสัญญาเครื่องมือของวิชามันก็ไม่หลอกคิดได้อย่างไรไม่ก็ต้องหลอกจิดถ้าสติปัญญาไม่ทันก็ต้องหลงมันความจึงต้องแยกต้องแยกด้วยสติปัญญาไม่หยุดไม่ถอหลายครั้งได้ผลมันก็เข้าใจมันก็อินตัวอีแหนอินตัวทั้งรูปแล้วก็อินตัวทางนามธรรมคือสัญญา เวทนาทั้งยาทั้งขามีนยามีนตัวตรอยตรอยมันมีอะไรนี่มันยังไม่อิ่มตัวอืมก็ามีตะจิตกับ ว, วิชาที่พันกันอยู่นั่นเราก็ไม่รู้นั่นแหละเราจึงเห็นความละเอียดของกิเลสเม่เข้าถึงขั้นอวิชชาล้วนแล้วไม่มีอะไรจะละเอียดยิ่งกว่ า, าวิชชาหวังอืมอวิชชาล้องเพลงก็เราเหมือนกับเราไปนอนอยู่ในถ้าเสือ เสือก็หืมๆทำรามมันจะกัดหัวอินงั่งว่าเขาล่องเตนให้ฟังอือมีอวิชาเหมือนกระเสือโค่งตัวหนึ่งยังไปหมอบราบกับกกมันรักมันสงวนมันจงได้เพราะความละเอียดของที่เลยจอมก็ถัาทแท้ๆกับกี่ยวิชาแต่มันก็ทนพัตติปัญญาไปไมน่นด้พัตติปัญญาขั้นนี้แม้จะยอมรับว่าจิตนี้ละเอียดจิตนี้ผ่องใสจิตนี้องอาจจิตนี้เป็นเรา เป็นของเราอยู่ในขั้นนี้ก่อนก็าตามแต่ความที่ว่ามหาสติมหาปัญญานั้นจะให้นอนใจจะทั้งทั้งรักษาทั้งระมัดระวังทั้งสังเกตเมือ่ออวิชชามันก็เป็นสมมุติอยู่แล้วทําไมมันจะความเคลื่อนไหวของสมมุติอันละเอียดนั้นมันจะไม่ ม, มาสัมผัสกับสติปรรัญญาซึ่งจดจ้องซึ่งจ้องซึ่งพิจิตรณาสังเกตสังกายกตลอดเวลาได้ล่ะ มันก็ต้องจับกันได้เแน่อน่อะไรนี่จนได้เมื่อจับไปแล้วอันนั้นหินมันก็หมุนตีก็ไปตรงนั้นหรือสติปัญงานก็หมุนตี้าไปตรงนั้นพอหมุนตีก็ไปตรงนั้นแล้วอันนั้นก็เป็นเป้าหมายของการพิจารณาเช่นสภาวธมทั้งหลายทีนี้มันจะทนได้ไหมมันก็แตกกระจายมาแตกกระจายไปแล้วมันก็อิ่มตัวที่นั่นทีนี้อิ่มตัวขั้งสุดท้ายอิ่มตัวจากการพิจารณาทางรูปอิ่มตัวจากรูปเสียงกีโนเครื่องสั้งผัดแล้วจะมาแล้วอิ่มตัวในการ พิจารารูปกายของเรานีกอิ่มตัวในการพิจารณาเวทนาสัญญาต่างๆอีกเมื่อรอบครอบรอบตัวแล้วก็อิ่มตัวอิ่มตัวมันก็ไปยังอยู่จิตล้วนอๆกับอวิชชาตัดแล้วสะพานมันไม่มีทางออกแล้วทางไหนก็ออกไม่ได้ออกทางเวทนาสัญญาต่างๆินยานก็ออกไม่ได้เพราะรู้เท่าทันแล้วมือนก็ขาดสะพานไปออกทางรูกเสียงเกลียวยิ่งห่างไกลไปมากนั่นไม่ต้องพูดไปเลย พอมันผานเข้ามาขวางเข้ามาเขาเหลือแต่ตัววิชามันไม่มีที่หลบที่ซ่อนจริงันก็เด่นดวงอยู่นั่นเองเพอาะูกเปิดเผยหมดรูปก็เปิดออกมันปกคุมหุ้มห่ออยู่นั่นด้วยรูปก็ปกก็เปิดออกด้วยเวทนาสุขทุกข์เฉยเฉยก็เปิดออกเปิดออกเวทนาส่วนอยากส่วนละเอียดเหล่านี้ส่วนละเอียดสุดมันยังมีในวิชา เมื่อเปิดอวิชชาออกเมื่อไรมันก็ออกได้ครับยังอวิชชายังมีอยู่เวทนานั้นยังมีมันก็เปิดเข้าไปสัญญาสังขารวิญญาณเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเปิดอวิชชาออกเมื่อเปิดอวิชชาแล้วเวทนาก็อมเพราะฉะนั้นเราก้าพูดผิดหรือถูกก็แล้วแต่เป็นความถนัดเป็นความผระจักในใจิตใจทั้งบอกว่าเราพูดถึงเรื่องพระอรหันต์นั่นแหละพูดถึงสิ่งกิเลสเราไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องเราเท่าคำหนูตัวหนึง่ง พระอหันต์มีที่มีเวทนาที่ไหนในจิตนั่นเวทนาไหนก็ตามไม่มีในจิตของพระพิจารณาที่ไหนนั่นแหะอิ่มตัวที่นี่เมื่ออิ่มตัวแล้วจิต ก, ก็ไม่หลงอิตไม่หลงสิ่งใดแล้วยังไม่หลงความบริสุทธิ์เหมือนตะเมื่ออิ่มตัวแล้วอยู่เรียกว่าอิ่มตัวไม่ค ว, าวา้านุนคว้านีไม่หิวไม่โหยเป็นขั้นๆเข้าไปอิ่มตัวกั้นเป็นขั้นเป็นขั้นต่อยวางเข้าไปอิ่มตัว ในสภาพใดสิงใดก็ปล่อยตัวเข้ามาปล่อยตัวเข้ามาจนกระทั่งวาระสุดท้ายอี่มตัวในจิตในอวิชชาปล่อยปล่อยได้เต็มที่เนื้อหมดปัญหาที่จะพูดต่อไปนั่นแหละความปวดเพื่อ่องทุกข์ทั้งหลายปลดเพื่องจกันตรงที่อวิชชาสิ้นสุดยุติลงไปด้วยอำนาจของมหาสีมหาปัญญาตธาความเพียรหยุสายปลัแหละ อาวุธ ท, ทันสมัยที่สุดยึดติดดวงคงนั่นนี่อยี่ไก็อยู่ันหมดเรื่องสมมติภายในหัวใจเราดูเปล่าไปตายล่าไปมืดแก่เท่า น, านาาั้นปเรือวั น, น่ันทอนนทนงคุธพุดรขาท้องลงแฉงไปเงินหลบา้าบ้าไม่หลงจะเป็นรบ้าด้ห ล, ง, ลงด้วยเป็นข้าว่า นั่นแหละจิตตั้งแต่ลงมลุกคุกตามมาโดยแบบหนาแทบล้มแทบตายแคบจะมาเป็นผู้เป็นคนเสียผู้เสียคนเพราะที่เด็กกั น, าานหาเพราะมันเบียดย่ำทำลายแต่เพราะความมุมาณะของเราผู้เป็นนักปฏิบัติมันพ้นวิสัยของเราไปไม่ได้ขอให้จริงจังติดธรรมบุพติเจ้าไม่มีปัญหาเลยแล้วคำอามัสติมานี้ที่จะแก้ที่เกตัวใดไม่ได้ไม่มีปัญหา มัทกีมาทุกประเภทสามารถแก้พิเดตได้ทุกประเภทของพิเดตไม่มีพิเดตตัวใดจะมีความสลับแล้วผมและเหนือสติปัญญาที่เป็นมัทนี้ไปได้ชื่อเรียกว่ามัทกีมาแปวลว่าความเหมาะสมในการแก้พิเดตทุกประเภทเราแปลด้วยความถ น, นัดใจว่าทุกขนาดนั้นก็มีเวลาปลเปื้องได้การประกอบความเท่เทียมมีที่ยุติการแล้วงับดับแล้วดับไปตลอดสายด้วยที่ ไม่มีอะไรเหรือพลังคารังอะไรที่เราแทบล้มแทบตายมาก็ามีที่ปวดทิตเปื่อยที่มีที่ยุติกันได้สมายงานของโลกมีที่ไหนที่จะให้มีเวลาดยุดจังจนกระทั่งวันตายงานก็ยังไม่สิ้นสุดตายจากการจาังอะจากงานตายจากป่วนสูงตายจากพ่อจากแม่จากลมฟ้ามีปรญยาตาย ไ้จากต้องขานดั้งกายตายไปทั้งๆทิ่สิึงอย่างนี้ยังไม่เสร็จไม่สิ้นมันมางเดี๋ยั้นแต่งานอันนี้เป็นงานที่เสร็จสิ้นลงได้งานปราภิเลนมีทางสิ้สิ้นมีเวลาสิ้นสิ้นลงได้เมื่อกิเลมันราบลงหมดไม่มีกิเลสใดเหลืออยู่ายนจิตใจแล้วงานนั่นก็หมดไปท่านเรียกว่าวุฒิางกรรมอะไรอย่ แรงไ่ยเสร็จงานปุถุหายนิ่นง เ, เสร็จงานการประพฤติพมจรรย์ก็คือการต่อสู้กิเลสงานคือการต่อสู้กิเลสมันเส้นเส้นเจะต้นลงไปแล้วพระกิเลสมันดับหมดแล้วตายหมดแล้วหมอ่อมรากหมดแล้วการประกอบความเพียรทั้งท่านเพื่อวิหารธรรมความอยู่สะดวกสบายระหว่างขันธกษษิจนั้นมันเป็นการมปัจจยอาศัยของแต่และองค์ละองค์อันนี้มันจะเกี่ยวกับปเป็นเรื่องของกิเลสําไปนั้น แต่เหมือนการกินอยู่หลับนอนั้องธาตุขันต้องเรานี่เมื่อมันยังไม่ตายมันก็ต้องมีการกินอยู่ปว่าหลับนอนเดินคือเดินไปอยู่เป็นธรรมดาอย่างนี้มันเป็นเรื่องของเราที่จะต้องปฏิบัติเพราะเป็นสิ่งที่จะรู้อยู่กับตัวทุกคนทุกคนว่าควรนอนควรพักผ่นควรกินควรดื่มควรยืนควรเดินมันรู้ด้วยกันทุกคนที่เป็นความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติต่อขันนี้อยา่างไร นั้นท่านก็รู้อย่างนั้นเหมือนกันในการปฏิบัติต่อขันระหว่างจะขันก็ผิดที่ครองตัวอยู่ด้วยกันยังไม่สลายเกัวไปใปฏิบัติอย่างนั้นแต่ว่าภาระอันใหญ่หลวงที่เคยกดท่วงจิตใจมาเป็นเวลานานนั้นหนักอึ้งยิ่งกว่าสิ่งใดๆ น, นั้นท่านกตกดเครื่องลงได้แล้วมันมีสิ่งในเดเหลือเราก็เอาที่เราเป็นนักรบมันใช่นักหลบหลบจริงๆเอาจริงเอาจาำจำนาัำเตาพุทธปฏิบัติ เรือ่องพระผลนิพพานไม่ต้องสงสัยสงสัยไปหาอะไรธรรมพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาปสอนเพื่อพราผลนิพพานทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อโมฆะเราจงสัยไปไหนความสงสัยนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมาหลอกเราตัางหากเอาที่เอาให้มั่นสิศรัทธาเชื่อต่อมรรตกผลเชื่อต่อความสามัญตัวเองสิวิริยะเพียนเข้าไปอฉันทะความพอใจ วิิยะเพี้ยนยิตาสิรอบตัวอยู่นั่นสักใฟ่รักความเพียนอมีมังสาไข้ควรพิณิพิจารณาอย่าทแบบเซอร์โซ่ซาซาหาสิอัญญาไม่น่าไม่เกิดปยู่ที่เด็กหัวเราะออาแค่นี้เนี่ยมีอัตตานี้ท่านบัญญาพิบัติเวขา้นลามากเพราะพวกเรารู้รับ